เทศเรื่องอะไรดีจริง อ, ะอ่ะยกกับพยานาพยาาตั้ว่าปีนีนย่ยังไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรเยลยส้องยกทรงเทศ นโมทัสสะพะกวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนโมทัสสะพะกวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะนโมทัสสะะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธะสัพพะปปสะอกรัง พุทธสูบสัมปทาปจิตตประโยชน์ปันดังเอตังพุทธานาสาสดันตีตีนโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมาคคาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์คาสทาบารมี มีบรรดาทนิสราธานะบรดีทั้งหลายที่ร้อนใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือในวันพระมาคบูชาวันนี้ทั้งนี้เพราะว่าบรรดาธรรพุทธบริสตังหลายมีความเรื่องใสในองค์สมเด็จพระสินทะสีปรมาสดจันาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นเหตุ ยินได้ตั้งใจมาสดับรับรพุทธพุทธิพันนาเป็นคำสงสอนขององค์สมเด็จพระบรมรขปเชติกาันี้ความจริงเรื่องมาคบบูชาหนีบรรดาธนพุบริสัท์ทั้งหลายอง์สมเด็จพระจอมไตรบรมราชสุดาสัมมาทัตพรเจ้าทูงจัตทไม่ว่าสัพพปาปัสาการนัง กุศลสูบะสมบทาสัจิตตปโยตปันังเอตังพุทธานันสาสนังจึงแปลเป็นใจความเป็นตอนตอนว่าหนึ่งสัพพปาปัสสะกันังจึงแปลว่าท่านทั้งหลายจงยังความไม่จงยังละความชั่วทุกอย่างกุศลสูบะสมบทาจึงทําแต่ความดี ไปจิตตปฏิยูตะปันนังตัวทำจิตใจผ่องสาสจากกิเลสองสดเด็จท้าบรมโลกเชตตวะทั้งพระเจ้าทังองค์ตัดอย่างนี้ไว้กันหมดเนื้อความเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่ององค์สมเด็จตัณสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาทัมโพธิญาณใหม่ๆ วันนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรริฎกมัสสรจฉดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรลุแล้วสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจริยศทรงพระเดชพระดำเนมาโปรดปัญญวคีาะห์ฤาษีทั้งห้ามีทางกุนระยะเป็นประชานเมื่อทรงโปรดให้ฤาษีทั้งห้านั่นเป็นพระอนแล้วก็ส่งไปประกาศพระศาสนา ต่อมาก็เด็มาพบพัทยะพระคนผู้เจริญ30สคนอง์สมนเด็จกระทศเสพนกเทถึงเขาเป็นประสูดาบันส่งไปประกาศศาสนาหลังจากนั้นก็เด็ดมาพบพ้าสัชชิซึ่งเป็นลูกของมหาเศรษฐีคณะนี้มาฟังส้นฟังเทศึ์องส้นเด็ดไปกิตาีแล้วหมดเจ้าห้าิห้าคน เป็นอรหันต์หมดก็สรงสรงไปรประกาศประศาสนาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมัสเจ้าจ้าทรงทระเดชานาปหลตพันธ์เยาวีทรงพระเดชานาปรลบพัน ร, ร, ร, รืดาฤษีตั้งสามท่านที่เรียกว่าโคชั ด, ดินมีบริวารแผงคนองค์าาสมเด็จพระทศกุลบริบาศาสดาสัมมาทัมมัสเจ้า เมืเทศตรวจแล้วเขาไปอรหันตั้งบมดก็ทรงไปประกาศประศาสนาหลังจากนั้นมาสมเด็จพระประศาสดาจึเข้าสู่กรุงและอ่คือมหานครตว่ามีสัญญาการจอมบอกพิจิตรศรีคือพระเจ้าพิมลิสานรบาลสัตรย์เมื่อสมัยพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสภาพออกถูกพระมหามิเนศกรม ขณานั้นเมื่อผ่านมากรงราชยศิ์มหาละครพระเจ้าพิบุิสายคิดว่าองค์สมเด็จพระจักรวนทรงแตกคอกับชาวกรุงราชพัทน์จึงได้สละราชสมบัตนินีออกมาอยู่ป่ายังได้ออกขมาชวนมาว่าให้เข้าปรคคองพระคนครร่วมกันเพราะเป็นเพื่อนกัน จะแบ่งอำนาจให้คเครื่งหนึ่งองค์สมเด็จพะสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระบัญญัติกากันว่าพระหาราชาอบขวายพระขอพระมหาวิพิตรได้จสุมานสการที่อาตมาตถ า, าคตออกมาาวมีนั้นความจริงไม่ได้แตกคอกับใครเพราะว่ามีความคิดเห็นว่าชาวโลกทั้งหลายทั้งหมดเต็มไปด้วยความทุกข์เมอย น, นิจังหนึ่งความไม่เที่ยง สองทุกขังมีแต่ความทุกข์สายวัฏฏะตายสลายตัวหมดเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วถ้าบาปอกุศลยังไม่หมดก็ต้องเว่นบินไหวตายเกิดในวัิตาสงสารนีแต่ความลำบากต่อไปนี้อาตามาภาพต้องการ บ, บาระโพธิญาณคือวโรอบิเศษสัมมาทัณโพธิญาณเป็นพระพุทธเจา้าต้องการสแสวงหาธรรมนิธรรมบุคคลให้ไม่ตายต่อไป เมื land, ่อจัดอย่างนี้แล้วพระเจ้าพินมพิสันย์ยึดาดรัตดาว่าถ้าอมลุมาลายเฟ้าโปรยฆ่าพระพุทธเจ้าก่อนแต่ความจริงพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจจะมาสอนพระเจ้าพินพิสัยก่อนเหมือนกันแต่ถ้าว่ามาการอมลุปฏิเสธสัมาธิพอดียานแล้วออกสัเดตควาระติบแก้วเขาไข่ฝนกาลังพุทธิยานว่าการเทคราวนี้เราจะเทศตัวใครก่อน เพียงจะบรรลุบัคผลคนฟังก่อนเป็นคนที้มีความสำคัญมาก <c oughs> ถ้าคนฟังครั้งแรกไม่มีการบรรลุบัคผลการที่ทเขาออกสมเด็จพระเทสกุก็จะไม่มีความหมายสมเด็จวิจอมไตรพริราศาสัญญาจึนได้งตรวจด้วยกำลังอำนาจของพระพุทยญาณก็ทราบว่าอาราดาบุตุธกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่พระองค์มาดิการก่อน จึงได้อารูปฌานสองท่านถ้าสองท่านนี้ฟังธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสงท่านเป็นแค่จบเดียวก็วจะเป็นละหันก็ได้พิจารณาต่อใครว่าเวลานี้ท้งสองท่านอยู่ที่ไหนองค์สมเด็จพระจอาใจก็ทรงทราบว่าเวลานี้ทั้งสองท่านตายจากความในคนไปเกิดเป็นทรหมเป็นอารูปภพ ไม่มีอายตนะเป็นเครื่องจะฟังไม่สามารถจะฟังเทศได้ยังได้มีความสลดใจว่าโอ๋หนออาจารย์ทั้งสองของเราเป็นผู้ที่ยายจากความดีเสียแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระปัณฑแก้วก็ทรงนำมิตต่อไปว่ายะเทศตัวใครก็ทราบว่าปัญญาวคาะหหรือสีทั้งห้าที่เคยปฏิบัติองค์มาก่อน มีเพ่อกุนัญยาเป็นประธานดาระความเทศจะองค์สมเด็จพระจินารวมสร้งจบภูนัยาจะได้ดวงตาหินทรรป็นเป็นปสดาบันและหลังจากนั้นต่อมาเทศอีไม่กี่วันสมบูสั์ก็จะสมเด็จตลาดผลฉะนั้นองค์สมเด็จพระทศพลยงต้องไปเทศโปรดปัญญาวิาีคราะศีตั้งห้าก่นแล้ก็ว่ากับมาจารําดับ มาองค์สมเด็จพ ร, ระพูทธมีพระภาพเจ้าเข้ามาถึงเขตกรุงราชเกิดมหาคนครจอมบอพิตรีสอนขึ้นว่าเจ้าพิมพิสารบรมมกสัตรพระบาทเท้าวเธอทรงทราบข้าวจึงนำคนสิบสองหุาทั้งหมด ก, กันไปเฝ้าองค์สมเด็จพ ร, ระจอมใจบรมศาสตร์เสนา พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศจบปรากฏทรงคนที่เอ็ดลหดเป็นพระโสดาบันบบก็จำพระเจ้าพิมพสายก็เป็นพระโสดาบันเลืองหน่วยหนึ่งองค์มุมว่หดที่จุดสองยังไม่ได้รายเข้าถึงใจสนาคมต่อจากนั้นมาพระเจ้าพิมพสายก็ทรงถวายพ ร, ระเวรวันมหาวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วก็ถวายความสุขทุกอย่างมีอาหารการเป็นพวกเครื่องใช้สอยทุกอย่างต่อมาในการนั้นกับรากามีอะไรกเกิดขึ้นในโลกแล้วทั้งหมดสองรห้าสิคก็เป็นวัญกลางเดินสามพอดีปกลางเดินสา ม, มนาี่บรรดาท่านพุะทบริษัตบางตำราบอกว่าตำราเขาพราม เมื่อถึงกลางเดินสามบรรดาพรราธทั้งหมดจะมาจะมาทำพิธีอย่างหนึน่งข้อความบองกันมีนการประจุมกันแต่ถ้าว่าวันนั้นบรรดาพระรหันทั้งหลายจะมาไปชุมกันที่องค์สมเด็จะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงประดิษฐจูก็เป็นเอ้วาวบรรดาพระทั้งหลายที่มานี่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับวิธีขอ้อความ ถือว่าเป็นประเพณีนิยมของพระศาสนาที่พระเจ้าทรงตัด <c oughs> ประเพณีของทางเขาเรียกว่าสยามโพทั้งวาง ว, า ง, วางการในสามพราม์ที่อยู่ที่ไหนทั้งหมดจะต้องมารมกันทั้งหมดทำวิธีสยามพโพรวมประชุมกันแต่ว่าในการในครั้งนั้นไม่เกี่ยวกับพิธีนี้เพราะว่าบรรดาอารหันท์ทั้งหมด ปรากฏว่าเป็นอารหาันต์ดิ่งหนึ่งบท จ, จากพระเจ้าเองเหมือนกันหมดพระเจ้าให้บทเองแตาการที่สองฟังทำร่วมกันทั้งหมดแต่การที่สมเป็นอารหาันต์ทั้งหมดทล้วก็ต่อมามาประชุมพร้อมกันในเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันเวลานั้นองค์สมเด็จพระกุทธกายังมีพระพุทธดีกาหรือว่าพิกเวโยก่อนวิสุทธังหลาย การที่ตถาคตแนะนำให้เธอทั้งหลายไปสอนบรรดาใบชาชนก็ยังไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะสอนยังไงกันเพราะต่างคนต่างเป็นพระอรหันต่างคนต่างเป็นปโสสาวบัญแต่ความจริงพระอรหันต์ก็ดีปโสสาวบัญก็ดีสอนไม่ผิดจะคำสอนก็ อ, องค์สํานึมก็สัมมาทิฏฐิเจ้า เพรสอนตามผลที่ตนเองได้บรรลุมาแล้วไม่มีการผิดแน่นอนแต่การสอนก็เป็นการสอนคนละวิธีกรรมต่างคนต่างสอนตามความถนัดในที่สุดก็มีการมุร่งพผ่านเป็นที่ไปเป็นที่เพลิดเพลินที่สุดถ้ามุ่งสวรรค์บ้างให้มุม่งพมลลกบ้างให้ละความชั่ว ตอนนี้เ ม, มื่อมัณดาประสมทั้งหลายมาประชุมกันหมดอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระปิบัติการวางกฎการสอนในพุทธศาสนาไว้ว่าตอนนี้ไปถ้าพวกเธอจะไปสอนที่ไหนก็ตามจำกฎทั้งสามเร่การนี้ไว้ให้บรินทืินฐานเหมือนกันให้หมดคพือนหนึ่งสัพปะปาปัสะการังจงสอนให้ทุกคนละความชั่วทุกอย่าง ซึ่งที่วาความชั่วทางกายก็ดีทงวาจา ก, ก็ดีการนึกทางใจก็ดีให้เลิกเสีคยค่อยๆแนะนำเขาสอนที่เดียวมันยังไม่ได้ผลค่อยๆปรับลงมาทีละน้อยละน้อยจิตเขาก็จะกินแล้รใการนี้สอนกฎสรสูก็สมุทาแนะนำให้ละความชั่วลายตั้งใจระหึกความดีทุกอย่าง เพื่อฝนความสุขมีสวรรค์ธรรมโลกแล้วใ น, นพานต่างทิดไปสาธิาจิตตะเพียวและปนังแนะนําทุกคนให้กระทําจิตใจมองใช้ใจกินเลเชื่อไปนิพานไม่ไมเป็นพานไม่กิไปนแน่นอนเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงตัดยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด ฉะนั้นบรดาวันนี้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเริษัวอกโขงทุนเดชพระบรมสุขสด ท, <c oughs> ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าวกโขงทุนเดชพราสัมมาธรรมปัสยเจ้าทุกคนท่านทังหลายเวลาอาา่านหนังสือก็คิดว่าเราไม่ใช่สาวกอันนี้ไม่ถูกคําว่าสาวกตามภาษาบาลีเรียกว า, าวกโก ถ้าไม่ใส่วิพัฒน์การสาวกสาวากะ <c oughs> สาวากะนี่แปลว่าผู้รับฟังบุคคลใดตั้งใจรับฟังคําสอนขององค์สมเด็จพรสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเรียกกันว่าสาวกทั้งหมดอันนี้สาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคภพพระเจ้ามีความหวังอย่างไง <c oughs> ถ้ามีความตั้งใจวันหนึ่ง ให้เมื่อทายจากความเป็นคนแล้วมีคิดอยู่ให้มีความสุขเนขั้นแรกรตยการที่สองมีสวรรค์ปฏิไฟเป็นอย่างน้อยและพระประโลกอ น, นิพพานรตการที่สามต้องการในถึงนิพพานทั้งหมดนี่ก็เป็นอนันว่าคสั่งสอนขอ ง, ง, อ, ง, ข อ, งของค์สมเด็จโตุคคือพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างไงคอยย้ำด้างหนึ่งวันหนึ่ง สัพพะปาปัสสะกรนนังทุกคนจงอย่าทำความชั่วคือทุกอย่าทำบาปทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่มันเป็นบาปคำว่าบาปแปลว่าความชั่วจงอย่าทำทุกอย่างแต่บังเอิญมีบางกรณีถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องทำวะจิตบปัญชี ค่อยๆหาทางละก็ค่อยหาทางตัดพัน์คิดไว้ในใจว่าวันนี้ทั้งวันตื่นขึ้นมาเราจะไม่ทําความชั่วทุกอย่างฟางครั้งม่สบ็เผลอเมื่อวันนี้เผลอพวกนี้ก็คิดใหม่เราจะไม่ทําความชั่วอย่างนี้ทุกอย่างไม่ชช่โรามากริตินมันก็จะไม่ทําความชั่วนั้นแต่การที่เราคุติสุบา ส, สมัติา เราจะทำแต่ความดีความดีมีอะไรบ้างหนึ่งมีความเคารพในบินดามารดาผู้มีคุณสงฆ์และปฏิบัติผู้มีคุณให้มีความสุขตามที่เราจะทําอันนี้เป็นความดีประการนี้สองรู้จักบูชาประชาระพระในเวลาตื่นขึ้นมาเป็นความดีถ้าการรู้จักบูชาพระเวลาตื่นขึ้นมานี่ ถ้าตั้งใจโบชาทุกวันโบชาไม่ต้องมากใช้เวลาสองสาม น, นาทีก็พอไม่ต้องไปใช้เวลาตัาง้งแโม่เพราะเด็กจะไม่ไดจกินข้าวเชาว้าตั้งใจสุ้ลุกขึ้น่าจากที่นอนไม่มีทูกข์จะจดก็ไม่เป็นไรกราบลงไปที่หมอนนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไงว้โดยเฉพาะ ตั้งใจว่านโมตัสสะข้าวัตอะราตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจว่าจะเคารพคำว่านโมที่แปลว่าข้าพเจ้าขออนาสการพ้าผู้บีพระพเจ้าผูเป็นพระอรหันต์องค์นั้นถ้าเอาแค่นี้จริงๆก็ใช้ได้ทำทุกวันให้มันจริง ถ้าถึงเวลานั้นต้องทำเจือนมาใหม่ๆต้องทำเจือนใหม่ๆต้องทำทุกครั้งถ้าคืนไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ทำมันน่าจะเกิดความไม่สบายใจอย่างนี้แสดงว่าบรรดาท่าพุทธบริษัทมีฌานในพุทธานุขกิกรรมฐานมันเป็นฌานที่ไม่ต้องนั่งเข้าขัดสมาธิ ถ้าเป็นชานอย่างนี้คือทำอย่างนี้ทุกวันจนึนก็มีอารมณ์ชินต้องทำไม่ทำไม่ไหวใจไม่เป็นุขเป็นชานแล้วถ้ากำลังใจที่ข่านนี้องสมเด็จพระพันธุที่เจ้าทรงตัดว่าถ้าเวลาจะตายท่านจะเห็นพระพุทธเจา้าเห็เทวดาท่านจะเห็นกนนรมมาลอยในอากาศจะมารับท่านไปสวรรค์เป็นอย่างน้อย ถ้ากำลังใจมีความม่คงจริงก็ไปถึงทุกแต่ว่าบังเอิญในเวลากลางวันและตอนเช้าตอนใดตอนหนึ่งจิตใจเรเกิดไม่นิยมในร่างกายขึ้นมาเอาการทุกๆุกวันเนะีบางครั้งมาเวลานิดหนึ่งคิดว่าร่างกายนี่มาเต็มปด้วยความทุกข์การหากินก็ทุกข์การโวยไข่ไม่สบายก็ทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ ความพักษ้าจะคอรักคออชอบใจก็ทุกความตายก็ทุกในเมื่อร่างกายเราทุกอย่างนี้ถ้าจะเกิดกี่ชาตมันก็ทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้อีก <c oughs> ถ้าตายแล้วขอปานิพานถ้าเป็นอย่างนี้เวลาจะตายถ้าจะไปสานปานิพานทันทีนี่เป็นที่ไปเป็นทีปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแล้วก็ได้ผล <c oughs> ต่อไปนี้ก็จ่ขอเทศตามใจพระองค์สมเด็จพระทศพนฺธรมาสสนาสัมมาสัพุทธเจ้าหรือว่ามีเรื่องที่เพกล่าวแก่บรรดาท่านพุทธไวสัตว์ว่าครั้งหนึ่งมืองค์สมเด็จพระพุทธมีพระภายเจ้าเสด็จจุดที่กรุงราชคกิดมหาเนคร เวลานั้นปรากฏว่าบรรดาประชากรมีพระเจ้าผีวิศาลบรบกษัตว์ประบาทเท่าเธอมีความสุขมากทุกคนก็มีความสุขผลก็แม่แรงตกต้องตามฤกาลพืชพันธญยาหายก็บริบรณสมบูรณ์แต่เมืองตรงกันข้ามฝั่งตรงข้ามกับแม่น้ํำข้างตรงนั้นจะเป็นมหานครเมืองนั้นปรากฏว่าเขามีความเดือดร้อน ผลไม่ตกตามระดูการชิ้นเีลาปีหนึ่งบ้างสองปีสามปีมาแล้วบรรดาระชายชนหลายก็โทษพระมหากษัตริย์ว่าพระมหากษัตริย์นี้ไม่ตั้งอยู่ในศีลนิสัยผลจึงแรงดังนั้นพระมหากษัตริย์จะาพระบรมราชี น, นาจึงตั้งใจนักษาอโมโศรถศิลจจำศีคนละสามเดือน เอากันอย่างหนักเอาก็ให้เต็มที่แต่ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะทําทอย่างนี้ก็ปรากฏว่าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลฝนก็ไม่ยอมจะตง อ, อีกต่างคนต่างก็มาประชุมกันก็ทราบว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจิตรพัฒน์กษาวงคือพระพุทธเจ้าพรอจูที่กรุงรัชจะคือมหาและขอนใกล้ๆกันฝั่งกรุงกันข้าม เขาเก็เลยกันว่าพระพได้เจ้าอยู่ที่ไหนลนตกตามธรรมดาคนก็มีความสุขการหากิงจะสะดวกสบายเพราะคนมีบุญมีกุศล <c oughs> ทุกคนเนี่ยตัดสินใจรันว่าควรจะไป ร, ะรัตนาองค์รพระเดชพรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มาปรดและก็เวลานั้นเมืองนั้นใอเมื่อฝนเขาแรงจัดโรคระบาดมันก็เกิดคนก็ตายกันมาก เรียกว่าคนก็ตายกันทุกวันฉะนั้นชาวเมืองนั้นเข้ามาก็์ดึงตั้งพามณปคนมาศาสนาองค์สมเด็จะสัมมาสัาพุทธเจ้าทรงปฏิบัติไปเขาพระเจะเ้จเจจกงสก็ทรงรับข น, นาดที่จะเส ด, ด็จไปจะบรรดาแต่พระไวยสัจฉไลไอ้ทางที่จะผ่านไปจะมันเป็นป่ากว่าจะถึงแม่น้ํา แต่ถ้าว่าไปเหตุอัศจรรย์เวลาที่องค์สมเด็จพ ร, ระพักรวันเสด็จไฟเวลานั้นทางทางที่จะเสด็จไปทั้งหมดพระราบรื่นไปทั้งหมดมันเป็นถนนใหญ่ราบเรียบสองข้างทางก็มีดอกไม้สวยสดงามตลอดทางแล้วตะหว่างที่ไปก็มีเชวดา บ, บ้างมีผมบ้างการร้านร่มถวายร่มเงากระดานดาพระสงฆ์ทั้งหลาย มีพระพุทเจ้าเป็นประธานแล้วก็มีธงมีฉัดมีธงเป็นแนวแถวเดียวตลอดสายทางที่ความเดินจะไม่น้ําเปส่องอัศจรรย์เวลานั้นก็ไปเห็นอัศจรรย์จากคนทั้งหมดพระอรหันเห็นเขาก็อัศจรรย์พระมหาการสัตว์เองพระเจ้าปิวิานเห็นก็ว่าอัศจรรย์เพาทราบแล้วเมืองนั้นมัเป็นเมืองป่า พระเจา้าพวมิษารึงเขาเด็ดไปพลพร้ากับองค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไปถึงแม่น้ําแล้วปรากฏกกลางแม่น้ําพยาหน้าก้านชัดกา้านร่มเปียกทงทิวเปรืงรับในเมื่อฝั่งนองเข้าเรือมารับองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้ข้ามไปพระเจ้าพิมิสารพร้อมทั้งเครื่องส่งลงน้ําไปส่งไปส่งเรือทั้งขอ จากนั้นพระราชาฝั่งโน้นจะเดินลงน้ํามารับพระเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งเครื่องสมการถึงขอเพน่อรับขึ้นบกเมื่อรับขึ้นไปแล้วก็ปรกากฏมีธงทิวมีถนนราบเรียบมีเจวดากั้นร่มถวายพระพุทธเจ้าสวายพระอาหารทั้งหมด mm hmm. เมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุขสเด็จไปถึงเมืองนั้นข้อขึ้นพระเด็จไปถึงที่ประทับพอดีฝนตกหนัก ฝนจะตกหนักขนาดหนักที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทีนี้เมื่อฝนตกหนักแล้วน้ํา ม, มันก็นองน้ำ ม, มันก็ไหลลงไอ้สิ่งที่เป็นปฏิกูลศพที่เน่าต่างๆมันก็ไหลงไหลงในน้ําไปหมดหลังจากเมื่อฝนหายแล้วองค์ชนเดพระบรมสุคตจึงได้มีพระพฤติกาจแตการอนุท้าอนันทาโดยก่อนอนุนทิศ ในเมืองนี้เมื่อผีตายคนตายกันมากพวกผีวิสัยก็เต็มเมืองถ้าอย่างนั้นเธอจงนำขันนี้ไปน้ำใส่เข้าทาน้ำมนต์ไปพรมให้รอบเมืองเดินอยู่บนกำแพงเมืองพรมให้มันรอบๆเพื่อเป็นการปัดเปล่าวพวกผีวิสาที่สิงอยู่ในสถานที่นี้ข้าโดยก็รับขันน้ามาจากองค์สมเด็จพระจินศรี แต่ขันน้ำเนี่ยพระเจ้ายังไม่ไทันน้ำมนต์มันเป็นขันน้ำดได้ใช้ถ้าเตนก็ตั้งสัตยาที่สายขอบรารมีพระเจ้าเป็นที่สุดถ้ากระว่ายาวหน่อยน้ำมนนะต์บทที่ไหนโพธบุพังพิกเวยอาจารย์ยกส่งนะท่านเสกโด้วยคาถาโพธปุพังพิกเวยไม่เป็นคาถาขับผีจาไม่ดีนะทุกคนนะ ถ้าว่าไม่ดีผีขับเอานะว่าเราตั้งใจว่าดีถ้ว่าไม่ดีผีขับก็เดกกระเด้งมาจะจะไ ป, ไ ป, ไปโทษพระไม่ได้นะ <_ s 1> ว่าโพ ต, ต ะ, บะบุลังไปก็ไปเช็ดจบไปจะใบหวยไไหยังไงวะนี่ยผีหีเพราะว่าจบทั้งหมดพรานเรมก็ไปปลอมเวลาไปโคมก็นึกถึงบารมีพระเจ้าว่ากระเทาบวนี้เรื่อยไปรอบเมือง พอพมไปรอบเมืองแถบหนึ่งปลากว่าผีมันหนีจากเมืองแถบนี้ไปจะออกมาตัวไอจะผูกผีมันมากพออกมาตัวไม่ทันมันดังกระแพงเมืองพังไปแถบเลยเห็นไม่เจียงอเจียงาว่าได้มันคูจะบุกพังอ่ะว่าจะ้ฟ้าพังททีผีไม่ออก ก็โลภาว่าบรรดาเมืองไหนก็มีความสุขมีความสุขลอยฝนตกต้อนทงโลกาญผลดีมีคุยความมีอยู่ดีเพื่อพันธัญญาหานดีด้วยทีย่นี้พระพุทธเจ้าก็กลับเมื่อเวลาพระเจากก้ากลับเขาก็ทําอย่างนั้นเอเทวดากลางล่มทมกลางล่มให้ทางที่มันไม่ราบเรียบก็ราบเรียบร่มรื่นดีมากอันเป็นทางกลับดีมาฟังนี้ อพอถึงชายฝั่งพระราชาเมื่อนั้นก็มาส่งก็ส่งเรือที่ข้าพระเจ้าลอยคอมาถึงขอกลับพระเจ้าพิมิสัยก็ไปรับลงไลยรับแต่น้ําถึงขอไว้กันก็เป็นว่าเมื่อองค์สมเด็จพระพักวันมรรคศาสัญได้กลับมาพักที่พระเวฬุวันมหาหรแล้วก็มีบรรดาพระสงค์ไม่ถามองค์สมเด็จพระปธีแก้ว ว่าพันเตภะกวาข้าเิองค์สมเด็จพ ร, ร, ระพูทมีพระพาเจ้าพระเจริญพระพุดเดียวกันข้าพระเจ้าอยากจะทราบว่าโดยอานุภาพอะไรในเมื่อก็ถามจากที่ทรงน่าจะคือหมาณนะครไปสู่ท่าน้ามันเต็มบริปาชัดเวลาดถียงองสมเด็จพระทรงสวัสดีสพข้าเสด็จไปแมนไกลเป็นถนนราบเรียบรื่นแล้วใหญ่โตมากกว้างขวาง แม้แต่ผงนิดถอยก็ไม่มีขวามสองข้างทางก็มีต้นไม้ดอกไม้สวยสดงดงามมากและก็ในระหว่างข้างๆก็มีเทวดายืยนถือถ้อทงเป็นแถวมีพรมและเทวดายกาั้นลมถวายพระั่งนี้ก็บ่านร้อนกันกันแล้วก็ไปถึงฝานร้อนก็ปรากฏว่าีนกว่าถึงพับฝนตกทันที ขับวันดาสิ่ง the e, ันหลเหล่าน er ี้ที่เน่าเน่าให้หมดไปสร้างบ้านเมืองสะอาดแล้ฝนตกกลางนเป็นตามตามตามฤดูกาลเพื่อเพื่อฟันัญญาหารดีสมเด็จวระญาณสีบริวรศาสตร์ันดาสมาระเจ้าสันว่าพิกาวีดูก่อนไปสุทันหลาย อานิสงส์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่ใช่อานิสงส์ที่จะมาภาพตสถาคตเป็นโลกอวิเศษสัมมาทัตปิญญาอะไรนะเอาทรงฟังให้ดีนะจำให้ดีนะไม่ใช่อานิสงส์สมเด็จพระสัมมาทัตโพธิญาณเป็นอานิสงส์เมื่อส ม, มัยก่อนตอถาคตเป็นพรามและก็ยังเป็นพรามคนจน เวลานั้นมีลูกชายคนเดียวคนหนึ่งเป็นลูกชายหัวปีแล้วก็เป็นลูกชายคนสุดท้องเป็นไงก็แบบมีคนเดียว <c oughs> ไม่นายยังโง <c> ่ <oughs> <c oughs> เป็นลูกชายคนเดียวเป็นลูกชายหัปีและเป็นลูกชายคนสุดท้องใช่ไหมตอมาเมายุคประมาณสิบหกปี ก็เไม่ถามตามตามธรรมชาติพราไม่ต้องให้ลูกชายเรียนไต่เพศใช่ไหมมีรูเพศแยกรเพศสามาเพศนะทั้งสามอย่างทั้งสามเพศฉันไม่รู้เลยฉันเพศฉันรู้สองเพศเพศผู้ชายและเพศผู้หญิงฮึ่ทำไมเกงยุคสมัยสิเดี๋ยวก็อนด้วายยังไม่จบดิว่าน่าเสีย ให้เรียนเห้เรียนใจเพ่กับเพื่อนคือเพื่อนเป็นพรามีสอนอาตธรรมแต่ว่าท่านลูกชายของท่านกางคนนี้ฉลาดมากตามหลักวิชาเ้าเรียนอย่าสามปีท่านเรียนเพียงแค่หกเดือนจบหมดจบแล้วแถมยังเก่งกว่าอาจารย์นิดๆที่ว่าเก่งอาจารย์ในความรู้มีความเฉลายวกว่าอาจารย์แต่ก็แต่ก็อ่อยชู่วาจายไม่ได้เพาอาจารย์แบอาจารย์ ก็มีความเคารพนายอาจารย์อาจารย์ให้สอนลูกศิษย์แทน่ต่อมาท่านก็มีความคิดว่ า, า, าความรู้ในใจพี่อาจารย์สอนไม่ยึดทางคนทุกข์พอแล้วนะไม่ยึดทางคนทุกข์ก็ถามว่าอาจารย์ความรู้ที่มีเหนือจากนี้มีไหมอาจารย์ก็บอกว่ามีแต่ว่าไม่ใช่ที่มีท่านถามว่าที่ไหนก็บอกว่าวาปที่ภกเขาคันธามา อาจารย์ที่ด้านมีความเฉลา่ยกว่าอาจารย์มากไม่ใช่พระปบจิตพระเจ้าสิเป็นที่อยู่พระเจิตพระเจ้าท่านก็ไปฝากพระบจิตพระเจ้าโอหนึ่งให้ศึกษาท่านศึกษาต่อได้ไม่ยวนตามหลักสูตรเขาต้องเรียนเป็นปี